สวัสดีครับผมชื่อแนนนเป็นคนลาวครับวันนี้มีประสบการณ์จะมาแบ่งปันให้ฟังอีกแล้วจากครั้งที่แล้วผมได้เล่าเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเก่งไปคงยังจำกันได้แต่ถ้าหากใครยังไม่เคยได้รับฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องสั้นสยองขวัญส0สิบตอนเพื่อนเฮียนได้นะครับส่วนเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวต่อจากครั้งก่อนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามารับฟังพร้อมๆกันเลยครับสัมผัสสยองเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเพื่อนเฮียนสอง หลังจากที่พวกเราไปร่วมงานศพของเก่งแล้วทางบ้านเก่งก็ได้ตั้งศพเอาไว้ที่บ้านเจ็ดวันซึ่งผมก็ได้ไปแค่วันแรกกับวันที่สองเท่านั้นเพราะผมทำงานเล่นดนตรีที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งครับเลยไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะไปได้ทุกทุกวันจนวันที่หเพื่อนผมที่ชื่อ น, นัดก็โทรมาชวนผมไปงานศพไอ้เก่งด้วยกันเพราะวันถัดไปก็จะเป็นวันเผามันแล้ว ผมตอบไปทันทีว่าโอเคแต่ขอไปหลังเลิกงานก็แล้วกันนะมึงวันนี้พวกมึงกับกูอยู่กันจนเช้าเลยนะเพื่อนผมก็บอกว่าเออก็คิดว่าจะอยู่จนเช้าเหมือนกันนั่นแหละกูว่าจะบวชให้เก่งเหมือนกันเพื่อนผมพวกผู้ชายตั้งใจจะบวชกันห7เจคนเลยทีเดียวพอวางสายจากไอหนัดผมก็ไปทํางานต่อในตอนเย็น จนถึงเวลาเลิกงานตอนนั้นมันก็ดึกมากแล้วผมขับรถยนต์ไปบ้านในนัดเพื่อที่จะเดินทางไปบ้านไอ้เก่งด้วยกันแต่ปรากฏว่านัดไม่อยู่ผมคิดว่ามันคงไปอยู่ที่บ้านไอ้เก่งแล้วจึงขับรถเดินทางต่อไปยังงานศพเพียงลาพังพอดูนาฬิกาก็เป็นเวลาตีสองแล้วครับเส้นทางที่ไปนั้น มันเป็นเส้นทางที่ไอ้เก่งประสบอุบัติเหตุนั่นแหละแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะผมไม่ได้เป็นคนกลัวผีอะไรหรอกครับและก็ไม่เคยเจอด้วยเพราะผมขับรถไปได้สักพักก็จอดหยุดไฟแดงซึ่งตอนนั้นรถก็ไม่ค่อยจะมีระหว่างที่นั่งรอไฟเขียวอยู่ผมก็เห็นบางอย่าง ลักษณะเหมือนจะเป็นเงาของคนกำลังยืนอยู่ที่ริมถนนอีกฝากหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าของผมผมก็บ่นเบาๆคนเดียวว่าดึกป่านนี้แล้วยังมีคนมายืนรอข้ามถนนอีกหรอวะโจรหรือเปล่าวะเนี่ยคิดไปนั่นพอไฟเขียวผมก็ขับรถตรงไปโดยไม่คิดอะไรจนมาถึงงานศพก็จอดรถเดินไปนั่งกับเพื่อนที่มาถึงก่อน พอไปนั่งได้ไม่นานเพื่อนคนหนึ่งของผมมันชื่อโจก็ถามผมว่ามึงไม่เรียกคนที่นั่งในรถลงมานั่งด้วยกันเหรอแล้วในรถเป็นใครวะทำไมดูคุ้นๆจังหวะผมก็ถามว่าคนไหนวะกูมาคนเดียวไม่มีใครมาด้วยเพื่อนที่ทำงานก็ว่าจะมากันพรุ่งนี้นะกูมาคนเดียวเพื่อนในกลุ่มก็หันไปมองที่รถ แล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นมีใครเลยนี่แต่ไอ้โจมันก็บอกว่าก็กูเห็นนี่แต่กูว่าแม่งต้องใช่แล้ววะพวกผมก็ถามมันว่าอะไรที่ว่าใช่วะเอาให้เคลียร์ไอ้โจไม่เคลียร์เดี๋ยวมึงโดนไอ้โจเงียบไปพักหนึ่งแล้วมันก็ถามว่าผมผ่านทางที่ไอ้เก่งเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า ผมก็พยากหน้าแล้วตอบไปว่าไม่ผ่านเส้นนี้จะให้ขับอ้อมด้วยไงวะไอน้นี่โจมันก็ทำหน้าตาตื่นแล้วพูดเบาๆว่ากูว่าแล้วมันไปรับมึงวัแนนไอเก่งเนี่ยกูก็โดนคนที่นั่งในนี้ทุกคนด้วยก่อนที่พวกกูจะมางานกันวันนี้ก็เพราะมันไปตามนั่นแหละมึงผมและเพื่อนๆ พ, พวกเราทำงานค่อนข้างจะหนัก และเหนื่อยบางวันก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยจึงไม่ได้มากันแต่วันนี้พอเดินทางมากันมันก็ไปรอรับเลยครับคนที่โดนหนักสุดในกลุ่มเพื่อนก็คงเป็นน้องกัสเพราะน้องคนนี้มันมีเซนต์อยู่แล้วไอ้โจเล่าให้ผมฟังว่าน้องกัสอะ่ะมันแทบไม่ได้นอนเลยตั้งแต่วันที่สถึงหราะไอยเก่งมันตามไปทุกที่ที่กัสไปเลยเว้ย ผมก็บอกมันไปว่ากูไม่เจอนะไม่เห็นมันมาหาเลยคิดไปเองรึปเปล่าวะมึงแล้วคนที่ผมคิดว่าจริงจังที่สุดอย่างไอ้นัดมันก็พูดออกมาทาเอาผมคนลุกไปทั้งตัวมันบอกกับผมว่ากูก็โดนว่ะวันก่อนนี่เองเว้ยวันนั้นกูกลับจากที่ทํางานตอนตีสองแล้วกําลังจะขี่เข้าหอก็เจอไอ้เก่งยืนรออยู่ที่หน้าตึก ในสภาพเดียวกันกับตอนที่มันประสบอุบัติเหตุนั่นแหละยับเยินสุดๆกูตกใจจนรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะไปจอดเกือบลมแต่กูก็ไม่ได้กลัวมันหรอกมันเป็นเพื่อนกูนี่นาเลยบอกมันไปว่าเดี๋ยวกูจะชวนพวกเพื่อนคนอื่นๆไปหาที่บ้านไม่ต้องมาตามหรอกเก่งกูไม่ว่างจริงๆขอโทษที่พวกกูไม่ได้ไปหาเดี๋ยวกูจะโทรไปหาพวกมันทุกคนเลย ไม่ต้องห่วงนะมึงเพราะกูพูดจบมันก็หายไปกูก็เดินขึ้นห้องไปอาบน้ําแล้วนอนจากนั้นก็โทรหาพวกมึงนี่แหละถึงแม้พวกเราจะไม่กลัวไเก่งมันเพราะยังไงมันก็คือเพื่อนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วพวกเราก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันเพราะหลังจากวันนั้นพวกเราก็ไปไหนมาไหนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนตลอด จากที่นานๆจะได้เจอกันสักครั้งก็กลับมาเหมือนแต่ก่อนไปไหนไปด้วยกันเหตุผลก็เพราะว่าหลังจากงานศพของไอ้เก่งในวันนั้นพวกเราทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้เก่งมันยังคอยตามพวกเราอยู่ตลอดจนอยู่คนเดียวกันไม่ได้เลยครับไปทำงานก็ต้องเอาเพื่อนไปด้วยถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนดึกๆก็ต้องมีคนซ้อนไปด้วย กลัวไ้เก่งมันจะมาซอนแถมพวกเรายังมักจะได้กลิ่นแปลกๆอีกเพื่อนบางคนมักจะโดนเพื่อนอีคนหนึ่งทักว่าเห็นมีคนมาด้วยทั้งๆที่เพื่อนคนนั้นก็มาคนเดียวและเหตุการณ์มันมักจะเกิดแบบนี้เป็นประจำจากทีแรกที่ไม่กลัวก็เริ่มกลัวกันมากขึ้นบางคนขี่รถอยู่ดีๆก็ลม้มบางคนก็โดนรถเฉียวบ้าง แต่พวกเราก็ไม่ได้โทษว่าจะเป็นไอ้เก่งหรอกครับคิดว่าคงเป็นอุบัติเหตุและความบังเอิญมากกว่าแต่ผมก็เริ่มมาคิดว่ามันเป็นเพราะไอ้เก่งหรือเปล่าวันนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านถนนสายเดียวกันกับที่เก่งเสียชีวิตและเป็นเวลาเดียวกันกับที่เพื่อนผมคนนี้ประสบอุบัติเหตุเพราะขี่ไปถึงซีแยกไฟแดงอยู่ๆรถผมก็ล้มลง แบบไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรเลยล้มไปเฉยเฉยผมล้มกระแทกพื้นกลิ้งไปกลางถนนรถอีกฟากหนึ่งวิ่งสวนเลนมาพอดีแต่โชคดีที่เขาเบรกทันไม่งั้นผมคงโดนทับตายแน่ๆคนที่อยู่ในบริเวณนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็พากันตกใจแตกตื่นกันเป็นแถวผมนี่สั่นไปหมดเลยครับ ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันและมันมักจะเกิดเวลาเราไปคนเดียวหรือสองคนมันน่ากลัวมากวันนั้นผมเลยโทรนัดเพื่อนมากินข้าวในขณะที่นั่งกินข้าวกันอยู่ก็ลองคุยกันกับเรื่องที่เจอเจอกันมาซึ่งดูแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมเพียงคนเดียวที่คิดแบบนี้ คนอื่นๆก็คิดแบบผมเหมือนกันผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าวันที่จะเผามันเราลืมตัดเพื่อนกับมันรึเปล่าวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่อื่นเขาทำกันไหมเวลาที่คนในครอบครัวเสียหรือเพื่อนเสียอะไรแบบนี้พวกเขามีพิธีตัดพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงรึเปล่าวันงานศพนั้นเราก็ลืมจริงๆ พราพวกเราเคยเอ่ยปากชนแก้วกันว่าจะเป็นเพื่อนกันไปตลอดใครตายไม่ตายก็จะอยู่กันไปนั่นแหละตายแล้วอย่าลืมมาหากันละ่ะพอมาคิดถึงตอนนี้ผมก็พูดกับพวกเพื่อนๆว่าพวกมึงนี่ไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นกันเลยจริงๆจากนั้นเราก็ปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงต่อเพื่อนที่เป็นคู่แฝดมันก็บอกว่าลองไปถามแม่เก่งดูไหม ว่าจะทำยังไงดีแบบนี้ไม่ไหวพวกเราต้องตายกันแน่แนเล่นกันโคตรแรงเลยตอนที่เราคุยคุยกันอยู่นั้นน้องกัสมันก็สกิดผมเบาๆแล้วถามผมว่าได้กลิ่นเน่าๆหรือเปล่าผมก็ตอบว่าไม่นะไม่เห็นได้กลิ่นอะไรแต่น้องกัสมันก็ถามย้ำอีกว่าไม่ได้กลิ่นจริงๆหรอผมว่าผมได้กลิ่นนะตอนมาใครเรียกมาหรือเปล่า กลิ่นแรงอะ่ะแล้วไอ้นัดมันก็ยกมือขึ้นตอบว่าพี่เองตอนมาก็เรียกมันมากินข้าวด้วยนี่แหละพวกผมก็พากันหัวรอบแบบแหงๆแล้วด่ามันไปว่าไม่ปรึกษากันเลยจะบ้าตายสักผักคู่แฝดที่เป็นแฝดน้องมันก็พูดขึ้นมาว่าพี่เก่งครับจะมาก็ขอมาแบบไอ้ที่หล่อๆดูดีๆหน่อยนะพี่ ไม่เอาเละๆพวกพี่เขาไม่กลัวแต่ผมกลัวแล้วก็อย่ามาทำอะไรพวกเราอีกเลยเราอยู่กันคนละที่แล้วต่างคนก็ต่างอยู่นะพี่ทันทีที่มันพูดจบเชื่อไหมครับว่าจานข้าวที่ข้าวเต็มจานของแฝดน้องมันกระเด็นหล่นจากโต๊ะเลยครับพวกเราได้แต่นิ่งเงียบพอกินข้าวเสร็จพวกเราก็เดินทางไปหาแม่ของเก่งที่บ้าน แล้วเล่าเรื่องให้ฟังแต่ไม่ได้เล่าทั้งหมดที่พวกเราเจอกันหรอกครับแค่บอกว่าเราลืมตัดเพื่อนกับเจ้าเก่งวันนั้นแม่เลยบอกว่าให้ไปวดัดไปให้หลวงลุงทําให้ท่านเป็นลุงของเก่งด้วยพอไปถึงท่านก็ทักว่าอา้าวพาเจ้าเก่งมาด้วยเหรอพวกเรามองหน้ากันแล้วตอบท่านว่าครับชวนมันมาเป็นเพื่อน แล้วเราก็บอกกับหลวงลุงว่ามาทำอะไรท่านก็ทำพิธีตัดเพื่อนให้กับพวกเราพอทำพิธีเสร็จท่านก็บอกว่าระวังกันด้วยนะขับรถนะ่ะเดินข้ามถนนก็ระวังระวังด้วยช่วงนี้เขาแรงแต่อีกเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วหลังจากวันนั้นพวกเราก็สบายใจขึ้นมาคิดว่าอีกไม่นาน เรื่องราวร้ายๆคงจะผ่านพ้นไปเสียทีสมหสิอ๋อง